ว่าการได้ยินได้ฟังเพกาว่ามีอานิสงส์อ่ า, อานิสงส์ห้ า, าหนึ่งได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสองสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจาจะได้เข้าใจสามบรรเทาความยังเสียเสียได้ข้อสี่ทคําคเห็นไม่ถูกต้องได้ข้อห้านี่ จิตของผู้ฟั ง, ย, บบงย่อมผ่องใสอันนี้เป็นเป็นอานิสงส์การได้ยินได้ฟังเอ่าเพราะว่าพระองสัจจันทร์จะเสพปัญจเป็นพระผู้สวดผู้เป็นผูน้ได้ยินได้ฟังมากอ่ากับอาศัยได้ยินได้ฟังละการท่องบุญสาธยายความรู้เกิดจากการได้ยินได้ฟัง ความรูก้กิดจากการท่องบุญสาธยายความรู้ ก, กิดจากผ่านวันนาะนี่ความรู้มันเกิดได้สามทางมาเฉะนั้นถึงวันนี้กรร็หลวงตาก็จะยกเอาชั้นๆมาให้ฟังเพราะว่าเป็นคติเนาะเ้างันสั่งใจฟังสักหน่อยณ <c oughs> มุตตะสะภะคะวะโต ร, ร, ระตะโตตัมมาสัมมุตตะสะ น a โมตัตตาภะวะโตระหะโตสมมาสมุตตตานาโมตัตตาภะวะโตระหะโตสมมาสมุตตตาทุกข้าอุททะทัตตานังปังเกสันนุวะกุณจรติหิมตะตมะบาริยายะชะอะถุสัตายะสมันเทหี <c oughs> สักขจังนั่โมสุตบตรีอาลีนะกป็ว่ากาลิเป็ว่าเป็นตาฟังธรรมต่างการถึงการเวลาถึงนี่เราก็มารวมกันที่นี่เป็นลานบุญลานธรรมที่เอ่อเทโอทีนี่ท่านจัดเป็นลานธรรมมาให้พวกเราบำเพ็ญพวกเราก็มา มารวมกันถ้าไม่จัดอย่างนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรกินแล้วก็นอนๆอนก็กินไปอ่าเพราะว่างานที่งานจิตถาพนาเนี่ยมันเป็นงานละเอียดแลนฟังธรรมเยเป็นงานละเอียดไม่ใช่งานเนี่ยอ่าไม่ใช่งานเหมือนอย่างเขาไปร้องรำทำเพลงอนั่น เออมันทำแล้วแล้วมันทําง่ายเออฟังแล้วมันก็ดึงดูดได้ไม่ใช่เหมือนฟังธรรมเลยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ถ้าไปเห็นเขาตอนเต้นเขาลขําเขาอะไรมันดึงดูดจิตใจมนันไม่ไมไมค่อยอยากจะหลับอะแต่ฟังธรรมนี่มันฟังไปฟังมาเพอเพอมาหลับครับเพราะว่าน่ะ มันไม่ดึงดูดมันก็มาฟังเพลงฟังลำฟังรองฟังอะไรอันนั้นจิตใจมันชอบมันชอบไปทางนั้นแหละส่วนหลายแต่เรานั่งภาวนาเนี่มันไม่ไปซะแล้ววะนี่มันไปทางไหนอ่ะจะให้มันสงบมันก็ไม่สงบเพราะว่ามันไม่ชานาญความชานาญไม่พอเนี่ยมันมันไม่ไขจักรสงบ อ่าแต่ว่าเราทำอยู่เรื่อยทำเป็นนิดทำจนเป็นชิดใสอ่าไม่ให้มัน <c oughs> ไปในทางอไปในทางที่ไม่ดีเนว่าถ้าเราจิตแต่ในทางที่ไม่ดีไปเนี่ยเราอ่ามันจะเดือดร้อนเนี่นว่าถึงว่าให้มีให้มีสมาธิกัเพ่า ไม่ให้ไปไมันไ ม, ไมให้มันไปในทางที่มดีนะพระพุทธเจ้าทั้งว่าให้มีสมาธิกิจตภาวนาทำให้มากเจริญให้มากทำอยู่เรืเอ่อยขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำนี่ลูกปู่เว่ี่ยังท่านว่ า, ายิ่ง <c oughs> ท่านได้หนทางแล้วเนี่ย พ่อแม่ครูบาอาจารย์น่ท่านยิ่งขยันเนี่ไม่ใช่ว่าใครชี้เกียดเได้เพราะว่าท่านเห็นหนทางแล้วท่านไม่กลับมาวุ่นวายกับโลกโลกวุ่นวายนี่โลกวุ่นวายก็คืออะไรนสัตว์โลกหรีอวมันเบียดเบียนกันแล้วก็เอาเปรียบเอารัดกันท่านเห็นภัยแล้วท่านไม่กลับมาอีกแล้ว ไปแล้วทุกขตัวไปดีมาดีพวกเราเนี่ยอะไรทุกขตัวทุกขั้วหนัวนี่อะไรอ่ะนางเชพิมพเขาว่าทุกขตัวทุกขั้วหนัวแล้วในพาสิตธ์พึ่บอกว่าทุกขตัวทุกขตะนงังแปลว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั่นถึงตุนฮะนี่ เบียดเบียนคนอื่นก็เศร้าเบียดเบียนตัวเองนี่แหละด่าคนอื่นก็เท่าก็ด่าตัวเองแหละมันออกจากเล่าก่อนนี่เหมืนว่าท่านเรียกว่าให้มีเมตตาให้มีกรุณามุทิตาเปียคาให้มีพรหมวิหารกระเพราะไม่ให้มันเกิดนั่นหละความโกรธความโลภความหลงเลยมันเกิดขึ้นมาถ้าเกิดขึ้นมาแล้วนี่ อันละงับไม่อยู่เราต้องหาวิธีนะงับหาวิบุบายนไม่ให้มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นวัตทําจิตตภาวนาทำกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำทำอยู่นั่นแหละถึงเวลาเราก็ทำอพอได้จังอออ <c oughs> พอมันเป็นมันชำนาญแล้วเนี่ยมันจะทำมันเอง คิดมากถึงเวลาทําเลยเมื่อย่าเอากินข้าวนี่แหละเอากินทุกวันอะ่ะกินเมื่อลไหร่าทานข้าวเข้าไปมันก็อิ่มมันก็สบายทําจิตตภาวนาก็เหมือนกันเมื่อไหร่อิ่มทางจิตนี่มันจะอิ่มมันอิ่มคนละอย่างมันเหมือนก็อิ่มข้าวอ่เพราะว่าอิ่มใจนี่อิ่มสบายใจมันสบายเวย นั่งก็สบายนอนก็สบายจะไปอยู่ก็หมู่ก็สบายจะไปนี่ก็ <c oughs> <c oughs> มันสบายฮะ <c oughs> สบายดีนั่นล่ละทางฝั่งอ่าวทางฝั่งลาวเขาเวลาเขาโฆษณ า, ขอขอาเวลาเขาจะเขาจะหยุดนึกว่าสบายดีเขาว่าฮะนั่นเองสัน ก็สบายดีก็คือไม่มีไม่เดืดๆๆอดร้อนเลยแหละถ้ามันเดืดอดร้อนเล้ืมันไม่สบายแล้วเหมือนอย่างเราถ้าเราป่วยเนี่ยเราต้องไปหาหมอกินยามันก็สบายขึ้นมาือปวดหัวเป็นไข้ก็เอาอยาอันนี้ก็เหมือนกันทาจิตธรราะาานี่ก็เป็นยาธรรมโอสถเราทำเราได้ไม่ใช่ว่าจา <c oughs> คอยให้คนอื่นทำให้เราทำได้มากมันก็เป็นของเราแต่ทำได้น้อยก็เป็นของเราอันนี้เป็นว่าให้มันจเจริญทานศีลภาวนาก็จะพาพ้นทุกข์สุขนิลันฮะก็มีเท่านี้แหละที่จะพาทางพ้นทุกข์อ่ ถ้าไม้จเจริญภาวนาไม่มีทางแล้วก็อยู่ของเราไปตั้นแต่โยไปกินไปอะไรไปมันไม่เห็นทั้งทางแหละมันหลงอยู่ตลอดไอ้ความหลงตัวนี้มันมัดใจขจัดโลกทั้งหลายเนี่ยมัดอยู่ในนี่แหละมันอยู่ในวัตถุดีเลยวัตถุกามกิเลสกามกกา ม, มัดไว้ในนี้มันมองไม่เห็นมองไม่เห็นภยัย คือภัยธรรมชาติที่มันจะเข้ามาหาตัวของเราเนี่ยมองไม่เห็นเวลามันเจ็บปวดก็มาก็ไปหาหมอหาหมอมาก็ไม่อยู่ก็บนว่าเจ็บว่าปวดแล้วก็เวลาแก่เท่ามาเนี่ย <c oughs> ไม่มีสมาธิขาดคือไม่ได้เจริญไม่ได้มี <c oughs> ไม่ไล้ไม่ได้ดำเนินมา ตั้งแต่ต้นมันเห็นยายคนหนึ่งอายุเก้าจุกว่าปีพิธีอยากตายอย่างเดียวรำคาญานั่นละ่กะก็เพราะว่ามันเวทนานี่แหละเวลาไม่มีคนดูแล อ, อยู่คนเดียวบางทีมัวแต่สอนแต่คนอื่นอยู่แต่ตั้งแต่สมัยตัวเป็นหนุ่ม เป็นอาจารย์เขาเรียกอาจารย์กับภูมิใจดีใจสอนเขาไม่มีครอบครัวอยู่ไปเวลาแก่เท่ามาแม่ไม่มีที่พึ่งทางใจไม่แต่อยากตายไปหาลงตายอยู่นั้นโอ้อยากตายลงตายเนยไม่อยากอยู่นั่นแหละกะ็มันก็เก่ยงวา่าล่ะเพราะว่าแก่มานี่ยมันไม่มีอะไรที่จะดีเลย ขากะเดินไม่่ายได้ข้าวก็กินไม่ใคยได้โว้มันเป็นไปหมดหูตายอะไรมันก็เสื่อมไปหมดมันก็เลยไม่อยากจะอยู่แล้วโลกเลยโลก <c oughs> สังขารนอะนี่มันให้โทษแล้ววะดิแต่ก่อนมันไม่ให้โทษแล้วมันก็ดีสบายไปไหนมาไหนก็สะดวก <c oughs> ลูกศิษย์เขาเรียกอาจารย์อาจารย์กับูมิใจ เมื่อลาแก่ามาเดีโอโหไม่มีใครดูแลเลยวะนี่ลูกเต้าก็ไม่มีไปหาหมอว่าช่วยยุแต่ว่ามันช่วยแค่แค่ได้กินยาแค่นั้นแหละมันก็ไม่ช่วยหายใจให้เราได้หรอกเราคนเดียวนี่แหละหายใจอันนี้เพราะว่ า, าเราไม่ได้เกียมพ่อมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มไม่ได้ไดิของพวกนี้มันลืมได้อะไรได้ หลวงปู่ไปเห็นหลวงปู่แหวนเนี่ยเล่นผ้าตัวเองนะเวลาท่านป่วยเนี่ยโอ้หลวงปู่มหาเจิมเนี่ยเวลาดิ้นนี่ตกเตียงเลยโอ้มัน เ, นเวญนามันคือขนาดนี้ด้พวกเราฝึกขนาดนี้แหละมันจะไปทันมันหรือไอเวทนามันครอบงำหลวงปู่ว่าโอ้มันสัง่งไปเห็นแล้วเออพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านยังกลืมได้ แล้วพวกเรานี่โอ้ยทำแค่เนี้ยเหมือนที่ก่อหยอกมาเล่นแหละเออมันเข้าแต่ละเที่ยวแก่และเวลเอาอแต่ละงวดแต่ละข่าวนี่โอ้ยอ่มันเอาจนลืมหน้าลืมหลังเลยแบบเทศนาเนี่นั่นแหละท่นเลยว่าให้ฝึกไว้แข็งแข็งให้ฝึกไว้เวลานั่งภาวนานก็ฝึกเอาทับเวทนาอยู่จนว่ามัน อ่ามันจะมันเย็นจนเข้าใจว่าไม่มีตนมีตัวพ้นแหละมันถึงจะเห็นว่าเออเหนี่ยวว่าประจัดตังมันรู้ได้เฉพาะตนก็เพียงนั่งแต่ห้านาทีสิบนาทีนี่มันจะไปได้อะไรมันก็ได้จะเจ็บไปแล้วพอเจ็บปุ๊บแล้วก็พกลิกหนีซะมันไมได้แค่นั่นแหละเพิ่นเลยให้ทับพานั่งทับตน ม, มันมันนี่อ่า เวสนามันรู้ขึ้นมาก็ทับมันไปทับอพอเราทำนานเข้ามานก็จมนานความจำนา น, นก็เป็ดมาแล้วก็ทนเอานี่นี่แหละเป็นว่าความอดทนเป็นตะปะองูุบผุบผ็นเพียรความอดทนเป็นตะปะอย่างยิ่งความอดทนคือความอดกัน้นเป็นธรรมเผากิเลสอย่างยิ่ง ถ้าเราขาดความุดทนแล้วทําอะไรก็ยากทํางานภายนอกทํางานภายในลำ บ, บากงดเนี่ยความขยันเข้ามาทำํำ <c oughs> มันก็เลยผสมกันเข้าเราจะหาทรัพย์ภายนอกหรือทรัพย์ภายในก็เหมือนกันทรัพย์ภายในยิ่งเวลาท่านนี่ ท่านยิงย่งทํายิง่งขยันไปเห็นหลวงปู่พรมเนี่เดินเป็นตุ่กลมหรูตั้งแต่สองทุ่มเลยไปถึงหกทุ่มบนโอ้ไม่ธรรมดาฮะแล้วพวกเราเนี่เดินไปยกยกยกเอาไปมาก็หยุดแล้วมันจะไปเห็นเวทนาแดงไหนฮะเมื่อพอเวทนาเขาก็หยุดสร้างสงิม่นไม่ทำัำมันไม่รู้จัก นั่นแหละท่านได้เห็นทางแล้วเนี่ยท่านเวท น, นาท่านก็ไม่ได้สนใจเด้เดี๋ยวดูทำอยู่นั่นอ่ทาทำให้มันเป็นนิสัยให้มันรู้เห็นเองแล้วท่านว่าทําปัจจุบันให้มันดีอนาคตไม่ต้องไปคิดมาเพื่อปัจจุบันนี่ <c oughs> ส่วนมากมันเลาะกันก็ปัจจุบันนี่แหละเวลาตื่กระทบมาด่ากันอะไรกัน คนนั้นว่าคนนี้ว่าเอามาเก็บนะมันก็เลยเก็บไป น, ะนานๆมันระเบิดได้วนะนี่เพราะว่าคำฮู้ว่าแรงที่พิมพ์ก็คามรู้ท่วมหัวตัวไม่หลอดออกระพาะ อ, อะไรกระพาะเขาว่าเอ้ยปริตยาพวกอัอพวก อ, อกระจกกระแจกเขาว่าแค่นั่นแหละเครียดแล้ว เออเขาจะว่ากับสั่งหัวเขาตัาบริญญาเขาแค่สมมติถ้าเรารู้จักสมมติแล้วจะไปเครียดทาไมไม่เครียดเพราะว่าเราก็ไม่เป็นหมาเป็นหมูเป็นควายเป็นเขาว่าไอควายไอ้ลาไอกูดเครียดแล้วเฮเคียดแล้วก็เก็บไว้ในใจเลยบ้าพอเก็บไว้นานๆเข้าเราจะระเบิดเลยมันระเบิดก็เป็นไงอะ่ะไอ เหล่ากูจะเอาไม่เอาด้วยเล่กูจะเอาด้วยคนกูไม่ได้เอาคนด้วยคาถาเก็บไว้อยู่นั่นพอเห็นปุ๊บชักปืนลงมายิงปุ่งแน่อะไรอ่ะก็เพราะเก็บมันไว้นั่นแหละถ้าเก็บมันไว้แหละมันอัลเบิดเหมือนอย่างที่้ <c oughs> เขาเก็บไม่กิดไฟนะ่ยไม่กิดไฟมันอยู่ในกล่องนะมันมีเชื้อมันอยู่อ๋อ เชื่อมันมีแล้วมนกระทบกระบาลมันก็เป็นไฟขึ้นมาอันนี้ไฟกูดไฟลูกไฟหลงเมืกออยู่ในเรานี่ถ้ามันกระทบปุ๊บนี่เอาไม่ทันถ้าเราเอาไม่ทันมันก็ไม่ให้โทษอันนี้มันว่ า, าเอา่เอท่านดึงให้รู้วงังอย่าปล่อยมันออกไประงับธรรมะคือความข่มใจขันติความอดทนนี่ ถ้าเราขาดสติขาดคำว่าสัญญามันอไหร่มันเล่นงานเลยพอมีมีคนว่าคนนี่ให้เห็นไหม <c oughs> นั่นหละจะไป ด, ดูนดน้ำดท่าตายก็เพราะนี้แหละมันไม่เข้าใจมันเก็บไว้พ อ, อพอกิเลสตัวนี้มันกระทบเข้ามาไม่ได้นั่นแหละท่านให้ฝึก ก็เผื่อว่าจะให้มันรู้ไอ้เรื่องที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาขึ้นมาแบบไหนเราก็มีอุบายที่จะอ่าทําให้มันอยู่ในในไม่ให้มันขึ้นมาทำลายเราอ่าทำมันขึ้นมาทําลายเราโอ้ยเป็นเทศเลยตอนนั้น เราที่เห็นกันอยู่นั่นแหละที่มันขาดก็ขาดสติเลยแหละไม่แต่แค่เก็บความโลภความโกรธความหลงไว้ในใจพอถูกว่าถูกด่าหน่อยก็เครียดอันนี้เป็นว่าขาดความอดทนความอดทนเนี่ยเป็นว่าขาดอดทนมีสองอย่างความอดทนแท้เนี่ยคืออดทนด้วยความเจ็บใจมีอาภัยในทาน ถ้ามีภัยอาภัยในทานในใจเนี่ยจะไม่เครียดเลยเหมือนแล้วเอาทำๆ ท, ำทำ่านลุงปงวยนท่านทําใจเหมือนดินเนีย่ยเขาจะขี่จะเดี่ยวใส่เขาจะเอาไปทางไหนก็เอาหน้าไปก็ไม่มีอะไรเอาทําได้ไหมทําเหมือนดินนี่เห็นว่าเขาขนลากไปไหนเขาเขีใ่ใส่ก็ไมีเด็ดร้อนทําไม่ได้ก็เพราะเราไม่ได้ฝึกถ้าเราฝึกไปวิจาณาไปเออ จิตตัวนี้มันหาแต่เรื่องมันจะมาโทษให้เราไม่เบียดเบียนตนและเบียดเบียนคนอื่นอ่ะอ่ะละ่ะผจึงให้ฝึกจิตภาวนาก็เพื่อจะให้จิตของเราอยู่ในอยู่ในความสงบมาละ่ะเมื่อสงบแล้วเนี่ยเราจะรู้เองเห็นเองไม่มีใครแย่ว่าเนี่ยเพราะว่ามัน <c oughs> อะไรมันก็มีกันทุกคน ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะ่ผมก็มีขนก็ลีเล็บก็มีฟันก็มีอะไรก็มีผมคนเล็บฟันหนังมีกันทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าทำไมเราถึงวม่ามันหลงเราไม่ได้ยกจิตขึ้นพิจารณายกจิตขึ้นพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาธรรมกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นเครื่อ ง, องคงจรของจิต เนี่ยเราวันหนึ่งเราไม่ได้ยกขึ้นมาพิจารณาปล่อยให้มันตามกระแสมันมันก็ไปะเหมือนน้ําที่มันไหลมาท่วมเมืองเทพนี่แหละมามาจากเมืองเหนือมันก็มาท่วมที่นี่มันที่ต่ําจิตมันไปทางต่ำเลยถ้าเราไม่มีสตินอกจากที่เราจะมีสติอ่ามันจะ มันจะไม่ไปเราดึงมันมาหามันไปแล้วก็ดึงมันมาดึงมันมาเรื่อยๆเล็วมันก็ชำนานแล้วความชำนานมันก็จะไม่ต้องไปนี่อะไรยากอ๋อแต่ <c oughs> นั่นถึงว่ามันจเจริญทานศีลภาวนาก็จะพาพ้นทุกข์สุขนิรันด์เหมือนอย่างพาระสิทธุบูที่ยกขึ้นมาว่าทุกขาวอุทระทัตตาหนัง ปังเกสนูวัคุนสโรจงถอนตนขึ้นจากลมเหมือนช้างติดลมถอนตัวขึ้นจากนั้นอ่าเพราะว่าเราตกอยู่ในเอง่งแกงกันดาเ น, นี่ค่าตุทุกสลาทุกมรณะทุกเนี่เราจะไปเชิญแวนข้างหน้าเนี่ยเวลามันเข้ามาเราจะสู้ได้ไหมเราจะทนได้ไหมนี่ ช้างที่เขาตกหล่มตกโคนตกดินเขาก็อาศัยวงใสงาอาศัยนี่เขากระตืเกียกตะกายขึ้นจากหล่มไอ้คนเราเนี่ยจะอาศัยอะไรที่จะก้าหนีจกาก <c oughs> ชาติทุก ส, สระทุกมรรทุกนี่ที่จะมาเชิญเราเราอาศัยสานตินประมาน นี่แหละขันติความเพียรอันนี้เป็นเครื่องอจะพาให้เราสุขทุกคืนวันทำปัจจุบันให้มันดีแล้วอนาคตไม่ต้องไปคิดมาแล้วอดีตที่มันผ่านไปแล้วจะไปคิดมาเพราะนั้นวันนี้พอไปแล้ว <c oughs> คติเตือนใจขอให้ท่านทุกท่านทุกคนดุจรสบแต่ความสุขความเจริญหอองามในพุทธศาสนาทุกท่านทุกคนเถิด